ทำบุญแก้กรรมตอนกรรมกับยาเสพติดและวิธีเลิกการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกตนในหลายด้านมักไม่ได้ผลกับคนทั่วไปในวงกว้างเพราะเน้นหักดิบหรือบังคับตนเกินพอดีซึ่งนั่นเหมาะกับคนมีปัญญากล้าหรือมีความพร้อมถึงระดับแล้วแต่สำหรับคนที่ฐานจิตยังไม่มั่นคงจะเป็นเรื่องยากเกินเอื้อมถึงจนถอดใจ และแม้ทำได้ก็อาจเพียงกดข่มชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้ายกหินออกก็งอกใหม่ได้คนส่วนใหญ่รู้ดีว่ากินล่อผิดศีลห้าแต่มักตัดใจได้ยากและมีข้ออ้างสารพัดเพื่อจะไม่เลิกการจะหลุดจากสิ่งไม่ดีที่ย้อมจิตให้ลุ่มหลงติดใจวิธีที่น่าจะทำได้จริงกับคนทั่วไปมากกว่าคือพยายามสะสมข้อมูลเรียนรู้ให้เข้าใจทีละขั้นในขณะที่ยังอยู่กับมัน ไม่ใช่การวิ่งหนีหรือบังคับให้ตัดขาดทันทีการแนะนําให้คนเลิกเหล้าหรือเลิกยาเสพติดเหย่าเริ่มต้นด้วยการทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันเลวเป็นบาสร้ายแรงหรือต้องให้ละทิ้งสิ่งที่ลุ่มหลงมานานในทันทีเพราะมันทําให้จิตต่อต้านและไม่เปิดใจรับมนุษย์จะละกิเลสแต่ละด้านได้ต้องมีสิ่งดีกว่าเข้ามาแทนให้จิตได้สัมผัสทีละลําดับขั้นครูอาจารย์สอนไว้นะครับว่า การรักษาศีลเอาที่ทำได้แน่แค่ข้อเดียวก่อนก็ได้สำหรับคนเพิ่งเริ่มต้นไม่ต้องพยายามเป็นคนดีให้ได้ทันทีไม่ต้องบังคับฝึกตนจนเกินพอดีพอศีลบริสุทธิ์สักข้อจิตจะตอบได้เองว่าควรจะไปทางไหนจะเริ่มเกิดปัญญามองเห็นความจริงขอแค่มีกระแสความดีเกิดในใจให้จิตได้เปรียบเทียบจิตจะเริ่มเห็นเองว่าทำสิ่งนี้เป็นสุขหรือทุกข์กว่ากัน จะละวางสิ่งเป็นโทษอื่นๆได้ง่ายขึ้นในอนาคตสมัยก่อนนะครับผมเนี่ยสูบบุหรี่วันละสามซองกินเหล้าวันละกมดูดกัญชาด้วยแต่ก็สวดมนต์ทุกวันอ่านหนังสือธรรมะเป็นประจำกว่าจะเลิกได้ก็ไม่ง่ายและก็ไม่ยากเป็นประสบการณ์ตรงที่พิสูนรมากับตัวเองว่าจิตแต่สำนึกเขารับรู้ทุกอย่างและประมวลผลได้เองแต่สาคัญสุด เราต้องมีตัวอย่างให้เขาเปรียบเทียบและต้องหมั่นเจริญสติหรือระลึกรู้ถึงสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำแล้วตั้งคำถามให้ตัวเองบ่อยบ่อยว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรเป็นความสุขจริงไหมแม้จะผิดสินมัวเมากิเลสอยู่ก็ตามให้พยายามระลึกเข้ามาในกายใจตนอยู่เสมอเสมอถามตัวเองยำ้ำย้ำว่าทาเสร็จแล้วได้อะไรที่ต้องการความสุขแค่นี้เองเหรอดีกับชีวิตเราจริงหรือ สุขที่ได้รับมันยั่งยืนหรือเปล่าน่าจะมีอะไรดีกว่านี้อีกไหมซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการโปรแกรมจิตทางอ้อมนั่นเองนะครับจิตมนุษย์มีความเป็นพุท ธ, ธะหรือศาสนาอื่นเรียกว่ามีพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวของทุกคนมีพลังมหาศาลที่ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราใส่ข้อมูลให้จิตได้สํานึกบ่อยๆจิตเขาจะตอบเราได้เองว่าสิ่งไหนควรไม่ควรและใช้สุขที่แท้จริงหรือ ย, ยัง สำหรับคนยังผิดศีลติดเล่ายาขอเพียงอย่าจมกับมันสุดตัวอย่าปิดตัวเองด้วยความคิดว่าเราเอาดีไม่ได้ไม่มีทางดีได้กว่านี้รับรองเพียงแค่ความดีที่บริสุทธิ์จากการทำทานเป็นประจำโดยเฉพาะธรรมทานที่ถูกต้องและการรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งสักข้ออย่างมั่นคงจะนำหลุดจากสิ่งเหล่านั้นได้โดยง่ายในอนาคตแม้ปัจจุบันคุณยังมาหัวราน้าหรือเคยทาผิดไว้มากแค่ไหนก็ตาม ขอแค่พยายามงดหรือลดให้น้อยลงในเบื้องต้นก่อนกลับมาระลึกรู้ว่าสิ่งที่ทํามีโทษเจืออยู่มันคิดตั้งใจว่าจะถอยออกจากมันสักวันให้ได้จะมีโอกาสหลุดได้ง่ายกว่าการที่ยังหลงคิดว่าสิ่งที่ทํามันถูกต้องหรือหักดิบตัดขาดในขณะจิตได้สํานึกยังไม่พร้อมและไม่ยอมรับหลายคนโปรแกรมจิตตัวเองทางอ้อมสม่ําเสมอว่ากินเหล้าไม่ผิดไม่บาป ไม่ได้ทำร้ายใครสิ่งนี้ล่ละครับทำให้เกิดข้อมูลฝังในจิตระดับลึกส่งผลให้ในหลายภพชาติข้างหน้าคุณจะมั่นคงในความเป็นคนขี้เมามากขึ้นคือเห็นว่าการกินเหล้าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดเมื่อทับถมความคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆในชาติถัดๆไปคุณจะมีโอกาสติดเหล้าและยาเสพติดได้ง่ายกว่าคนอื่นเพราะมีวิบากและความคุ้นชินติดตัวมาเป็นทุนเดิม หากชาติก่อนไม่เคยกินเหล้าไม่เคยเสพยาชาติปัจจุบันแม้ลองหลายครั้งก็อาจจะไม่ติดหรือไม่ชอบและแม้ติดแล้วก็จะเลิกได้ง่ายต่างกับคนที่เคยช่ำชองและติดใจหนักกับของมึนเมาในชาติก่อนเกิดใหม่เนี่ยแค่ได้ลองครั้งเดียวก็ติดจนงัวหัวไม่ขึ้นและเลิกได้ยากกว่าคนทั่วไปหากเข้าใจวิบากที่ข้ามพบชาติได้เราคงไม่มานั่งสอนวิธีเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ กันแนวทางเดียวเหมือนกันทุกวันนี้ที่ส่วนใหญ่คนเขียนตำราอาจเป็นแค่แพทย์หรือนาจิตวิทยาที่ไม่เคยเสพยาหรือสูบุรีหนักจนเลิกเองได้เลยด้วยซ้ำหรือบางคนก็อาจเป็นเพราะวิบากเก่าน้อยมากตัวเองเลิกได้ง่ายก็ผ่านคิดไปแค่ว่าเลิกง่ายนิดเดียวแค่ใจเท่านั้นแต่สำหรับคนอื่นมันไม่ใช่นะครับคนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันวิบากในจิตไม่เท่ากันบางคนเนี่ยให้เลิกแทบตายก็เลิกไม่ได้ การกินเหล้าอาจดูไม่ใช่บาปร้ายแรงหากกินแล้วไม่ได้ไปทำร้ายใครแต่มันก็ทำลายสุขภาพก่อโรคหลายโรคมีผลต่อคลื่นสมองรบกวนสมองส่วนจิตสำนึกที่เป็นส่วนเดียวที่ทำให้คนคิดได้ต่างจากสัตว์เป็นสมองส่วนที่ทำให้คนรู้จักมีน้ำใจมีความกตันยูรู้คุณมองโลกแง่บวกเหล้าและยาเสพติดยังไปกระตุ้นสมองส่วนสัตว์เดรัจฉานให้โตขึ้นทำงานดีขึ้น ส่งผลให้สามันสํานึกจะค่อยถูกพัฒนาไปใกล้เคียงกับสัตว์เรื่อยๆจนหงุดหงิดง่ายขาดเหตุผลมองโลกแง่ร้ายสนใจแต่การกินการนอนสืบพันหาความสุขจะคิดได้แค่การเอาตัวเองให้รอดการเอาเปรียบคนอื่นก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาสัตว์ใหญ่ต้องกินสัตว์น้อยเป็นเรื่องธรรมชาติอาจมีบ้างที่แม้จะขี้เมาหนักแต่ก็จิตใจดี มีมนุษยธรรมและในเวลาไม่เมาก็มีสา ม, มัสำนึกสูงนั่นก็เพราะมีสิ่งที่ทำให้คลื่นสมองสงบมีสุขที่บริสุทธิ์มาถ่วงดุลเช่นมั่นคงในการรักษาศีลข้ออื่นๆการทำความดีมีน้ำใจมีความรักเมตตาสวดมนทําบุญฟังธรรมมีความกระตัญยูรักษาสัจจะแต่ความดีที่มีมากมายอาจสลายพริบตาเพียงแค่การขาดสติจากการเมาและข่มขืน ติดเอสเพราะความเมาเมาแล้วขับรถชนคนตายเมาแล้วฆ่าคนตายได้แค่เรื่องเล็กน้อยกฎแห่งกรรมของการกินเหล้าอย่างหนักคือส่งผลให้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าสมองทึบโง่บ้าหรือปัญญาอ่อนอย่างเบาคือส่งให้เกิดมาโงา่สมองทึบปวดหัวง่ายมองข้างถนนเห็นคนตัวเครอะผมเผายุ่งเหยิงควรพึงระลึกไว้บ้างนะครับว่า ถ้ายัางไม่คิดลดละเลิกยาเสพติดบ้างอนาคตคงไม่พ้นได้เกิดมาเป็นเหมือนเขาหรือต่อให้มีบุญเก่าที่ทําฐานสร้างกุศลไว้มากก็จะได้สิทธิกลับมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีได้เสวยบุญเก่าบนกองทองในสภาพน้ําลายฟูมปากเล่นขี้ตัวเองอย่างสําราญใจเล่าและยาเสพติดยังส่งผลเสียต่อการพัฒนาจิตในระยะยาวหลายภพชาติเมื่อสมองทึบก็เข้าใจธรรมะได้ยาก การเจริญสติดูจิตดูกายอาจไม่แจ่มใสเพราะจิตบิดเบี้ยวจากกรรมที่ทำลายสติตัวเองมาเนิ่นนานอาจทำให้หลงผิดได้ง่ายหรือเดินหน้าสู่เส้นทางธรรมได้ยากลำบากมากขึ้นดังนั้นจึงควรใส่ใจกับการสร้างกรรมดีในด้านสร้างปัญญาสร้างสติให้ผู้คนให้มากเช่นการสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรมหรือการเผยแพร่คาสอนธรรมะที่ถูกต้องไปในวงกว้าง เมื่อทำให้มากจะมีผลสะท้อนกลับหาตัวเราและส่งให้เกิดปัญญาเกิดสติได้ง่ายเช่นกันปัจจุบันมีคำสอนธรรมะแบบผิดงมงายจำนวนมากโดยเฉพาะลัทธิบ้าบุญบูชาพระพุทธรูปบูชาเทพเจ้าในเชิงขอโชคลาภคำสอนที่ทำให้คนโลภและหลงย่อมสะท้อนกลับให้จิตเรามืดบอดตามด้วยเช่นกันจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนเผยแพร่ด้วยนะครับ ซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ควรเป็นพระไตรปิฎกธรรมนิพนธ์จากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคราชซึ่งชาวพุทธทุกนิกายมีมติถวายตำแหน่งผู้นำสูงสุดของชาวพุทธทั่วโลกและขอแนะนำเพิ่มสำหรับงานเขียนของพระพรมคุณาพรหรือปออประยุตโตหลวงพ่อพุท ธ, ธนิโยหลวงพ่อพรปรามโมทปราโมชโอ ล, ลงตาพระมหาบัวอาจารย์พรรัตนสุวรรณอาจารย์วสิณอินทศระหรือคุณดังตรินเป็นต้น เหล่านี้คือพูดทรงคุณธรรมที่แตกฉานในการอธิบายให้คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายขึ้นหากเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมได้ดีพอจะไม่ลังเลสงสัยเลยว่าสิ่งที่คิดว่าไม่ผิดอะไรทำไมพระพุทธองค์ถึงทรงบัญญัติไว้ในสีลห้าข้อแรกที่ควรงดเวน้นสินห้าไม่ใช่ข้อบังคับนะครับแต่เป็นข้อเสนอแนะว่าถ้าลดละเลิกได้จะมีผลดีต่อชีวิตเป็นทางแห่งความสุขทางพนอปยภูมิ หากไม่เล่าเว้นสิ่งเหล่านี้จะพบความสุขแท้จริงไม่ได้บอกให้ฟังถึงเหตุและผลส่วนใครจะทำตามหรือไม่แล้วแต่บุคคลนั้นต้องการที่ว่าเล่าและยาเสพติดเป็นทางสู่อบายเพราะคนเราจะตายไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่จิตสุดท้ายว่ารู้สึกและคิดแบบไหนชีวิตประจาวันคุ้นชินกับอารมณ์ใดสิ่งเหล่านั้นจะไปปรากฏได้ง่ายเวลาใกล้าตาย คนติดเหล้าจิตมักสะสมสภาวะจิตในลักษณะเบลอๆเคลิมๆไว้เป็นประจำซึ่งเป็นภาวะจิตที่ส่งให้มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ง่ายที่สุดคงยากหากไม่ศึกษาธรรมและจะยอมรับหลักการนี้ได้แต่เชื่อเถอะว่าการเชื่อเรื่องผลกรรมแบบถูกต้องไม่เคยทําให้ใครชิปหายนะครับอย่างน้อยถ้าเลิกยาเสพติดเลิกเหล้าได้วันนี้ผลดีจะเกิดตามมาม า, มากมาย ทั้งสุขภาพดีประหยัดเงินลดโอกาสเสี่ยงติดโรคลดโอกาสโดนล่าไปขมขืนหรือทะเลาะวิวาทกับอันตพนันที่ตายก่อนวัยในข่าวเนี่ยก็พรอะเมาแทบทั้งนั้นนะครับยาเสพติดให้โทษอีกอย่างก็คือบุหรี่ที่แม้ไม่มีกำหนดในพระวินยัยแต่ก็ควรลดละเลิกเพราะทำลายสุขภาพอย่างมากสารพัดโรคเกิดจากบุหรี่ไม่ได้ตายคนเดียวนะครับ แต่สร้างบาปพาคนรอบข้างเจ็บป่วยไปด้วยเป็นสิ่งที่ชาวโลกล้วนรังเกียจในปัจจุบันถือเป็นโลกะวัชชะคือโลกติดเตียนเป็นสิ่งไม่สมควรทั้งพระและคารวะยิ่งพระที่ยังติดบุหรี่อยากกราบนิมนต์พระคุณเจ้านะครับว่าถ้าจะสูบก็ช่วยสูบในที่รับตาคนจะเป็นบุญแก่พระศาสนาอย่างมากเพราะมันส่งผลเสียให้ภาพของพระไม่น่าเคารพในสายตาของคนทั้งโลก ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านสูบเพราะมีสาเหตุที่คนธรรมดาไม่ใช่พระอริยาคงเข้าใจได้ยากแต่มักชอบเอาตอนเองไปทำตามอย่างพระผู้เหนือโลกแล้วยาเส้นสมัยก่อนถือปัญญารักษาโรคบางโรคได้ช่วยไล่มแมลงได้ได้ฟังจากผู้รู้ท่านเล่า ว, ว่าบางท่านเนี่ยมีวิบากเคยเสพติดยามายาวนานร่างกายชินกับสารเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนบวชหรือจะเป็นวิบากจากชาติก่อนก็ตามทำให้เลิกไม่ได้ แต่จิต ท, ท่านไม่ได้เสพติดเพราะพลปุถุชนเป็นอริยะส่งแล้วการเสพของท่านเป็นแค่กิริยาเท่านั้นคล้ายกรณีพระพูดคำหยาบติดปากในพระไตรปิฎกเป็นเพียงวาสนาติดตัวมาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่คนไม่ศึกษาให้ลึกซึ้งจะเข้าใจได้ยากเลยส่งผลเสียให้เกิดการปรามาสและเข้าใจผิดได้ทาบาป ก, กับพระอริยกันโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ แถมพระหนุ่มเนียนน้อยหลายรูปพอเห็นพระเกจิอาจารย์ที่น่าเคารพสูบุหรีได้ก็ใช้เป็นข้ออ้างในการเลียนแบบสูบตามพระเกจิอาจารย์บ้างซึ่งควรพิจารณาถึงความเหมาะสมอย่างน้อยก็ห่วงเรื่องโทษภัยจากบุหรี่ที่ทั่วโลกกําลังตื่นตัวว่าเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงก็น่าแปลกนะครับบุหรี่เนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วในปริมาณที่ไม่มากแค่พอดีพอดี ถือว่ามีอันตรายมากกว่ากัญชาอีกนะครับแต่ก็กลับเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายทิ้งท้ายสำหรับท่านที่กลุ่มใจเรื่องลูกหลานติดยาทำใจให้สบายเถอะครับมองให้เห็นว่ามันคือกรรมของเราที่ต้องได้ลูกหลานแบบนี้และการเลี้ยงดูที่ขาดการใส่ใจแต่เด็กแบบถูกต้องก็หล่อหลอมให้เป็นแบบนี้เองอย่าทุกข์แทนคนอื่นเลยครับอนาคตที่มืดมนมันก็ชีวิตและกรรมของเขาทาจิตให้เบิกบานด้วยเมตตารักจริง พลังรักจริงเนี่ยอาจเปลี่ยนคนได้ผมเองเนี่ยเลิกบุหรี่ได้ก็เพราะความรักของแม่ผมนะครับที่มีให้อย่างบริสุทธิ์พอเลิกบุหรี่ได้การเลิกเหล้าเลิกการพนันก็ตามมาเป็นพร่วนพระผู้ปฏิบัติดีมีพลังเมตตาสูงสัตว์ ร, ร้ายผ่านมาพบยังต้องยอมสยบและไม่ทําร้ายแผ่เมตตาให้เขามากๆส่งความรักให้เขามากๆอวยพรให้เขามีความสุขบ่ยบอยๆนะครับ ขอให้เขาเลิกยาได้ในเร็ววันแต่ถ้าเขาเลิกไม่ได้ก็ขอให้เขามีความสุขแค่นั้นพอครับไม่ต้องไปทุกข์ใจแทนเขาเมื่อรู้สึกทุกข์ใจกับลูกที่ไม่ดีให้ลองทำใจแบบนี้นะครับให้คิดว่ากำลังเลี้ยงหมายอยู่แล้วคุณก็จะสบายใจเห็นมันเป็นหมาตัวหนึ่งลองคิดดูนะครับหมามันมีอนาคตไหมแต่ทาไมเราเลี้ยงมันได้จนมันตายเราไม่เคยทุกข์เลยไม่เคยคาดหวังให้หมาต้องเรียนจบ ไม่เคยคาดหวังให้หมาต้องได้งานดีๆลูกหลานเราก็เหมือนกันนะครับมีปัญญาก็เลี้ยงไปจนกว่ามันจะตายจากไปข้างหนึ่งถ้ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วทุกต่อไปก็สะสมอกุศลจิตตายไปขณะที่จิตเป็นทุกข์ก็ลงนรกลูกเดียวซึ่งคนที่เขาติดยาอาจไม่ได้ลงนรกกับเราด้วยนะครับรักแล้วก็ต้องรู้จักวางเลี้ยงหมาแบบไหนก็ให้พยายามคิดกับลูกหลานที่ติดยาแบบนั้น มันพากันไปทำบุญด้วยกันบ่อยๆให้เขาค่อยๆสะสมกุศลจิตทางอ้อมก็อาจช่วยได้ระดับหนึ่งถ้ารักเป็นฝึกวางจิตให้เป็นตัวเราเองจะมีความสุขและที่แนะนำเพิ่มเติมก็คือพาไปหาจิตแพทย์รักษาทางด้านจิตเวชเขาจะมียาช่วยรักษาสำหรับการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ด้วยนะครับอาจจะช่วยได้ง่ายกว่าการมานั่งสอนนั่งด่ากัน เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเถอะครับว่าทุกอย่างต้องมีเหตุมาก่อนจึงมีผลตามมาแบบที่เจออยู่ในทุกวันนี้ทุกสิ่งต้องเป็นเพราะผลกรรมของเราชักนำให้มาเจอทั้งนั้นอย่ามัวแต่โทษคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมการเชื่อหลักกรรมในแง่มุมที่ถูกต้องจะทําให้เราแก้ปัญหาได้ถูกทางและแม้จะแก้ไม่ได้แล้วก็ยังพอบรรเทาปัญหาได้ไม่ทุกไปกับมันแถมทาใหเรารู้จักวางจิตและยอมรับง่ายขึ้น ไม่ทุกข์หนักเหมือนคนที่วางใจไม่เป็น